สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 9 9กเดี๋ยวเราคงจะมาปิดท้ายกันที่เรื่องนี้ครับจากสายของคุณคิงครับวันนี้คงไม่ได้แถมกันเยอะนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวเช้าอย่างที่บอกตีห้า เราก็จะไปลุยถ่ายทําหนังสั้นเรื่องที่สีกันต่อนะครับคุณคิงวันนี้มาพร้อมกับประสบการณ์ของคุณอาครับเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่จังหวัดพิจิตรมาพร้อมกับเรื่องที่บอกว่าไม่เตือนดีกว่าครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องปิดท้ายกับ The g h ก s t Radio ีของเราในค่าคืนวันนี้จากสายของคุณคิงครับสวัสดีครับคุณคิง ววอวันนี้ทํำไมเสียงคุณคิงก้องๆเนาะอ๋ออยู่ในห้องอ๋อเสียงมันก้องๆแปลกๆเหมือนอยู่ในในโอง่งในห้องน้ําอะไรเงี้ยคุณคิงในห้องนอนครับออ่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วดีขึ้นละวนะฮะ <c oughs> อ๋อคุณคิงสบายดีนะอ๋อครับเราพอดีแม่งทำ ง, งานอยู่ก็เลยเราได้ครับอ๋อโอเควันนี้รบกวนดึกเหมือนเดิมปิดท้ายเหมือนเดิม <c oughs> น<ม>คนกรีดการ์ดกันใหญ่รอฟังคุณคิงกันใหญ่เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของคุณอาครับนะครับย้อนกลับไปประมาณสักกี่ปีแล้วฮะเออน่าจะเลยนะครับเพราะว่าวันนี้อาผมก็จะเพึ่งจะ4สียเมื่อชั้อาทิตย์ประกาศนะผมเพิ่งไปงานจบมาเฮ้ยเรื่องที่จะเล่าเนี่ยเกิดขึ้นไม่นานนี่เองเหรอ เรื่องที่จะเ่าเียก่อนที่เขาจะเสียชีวิตได้สักประมาณสองอาทิตย์นะครับเฮ้ยมันก็ไม่นานนะถือว่าโอ้สดสร้อนรอนเหมือนกันเรื่องนี้นะครับเหตุการณ์ล แ, ลและเรืงนี้ผมก็ได้ฟังมาจากแฟนของคือคือเมียเขาครับที่ทเราโอ้ อ, อ, อโอเคนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดพิจิตรเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงฮะคุณคิงเชิญเลยเอออกจารยื่นผมขออนุญาต เปลี่ยนชื่ออาผมเป็นเป็นอาชาติเนี่ยนะคนจะได้ไม่ต้องไปมีสิ่งแย่มากเพราะมันเป็นมันเป็นเรื่องที่เขาพูดไปเนี่ยจนผมว่าเจ็สิบเอร์ซ็นต์บริเวณนั้นเนี่ยบรกว้างเนี่ะเขาจะรู้จักเพราะว่าอาผมเนี่ยเขาค่อนข้า ง, ง, งจะมีเคนเยอะอือยี่ตรง น, นรับได้ฮะได้และะอื ม, อมอนนครับเอ่าผมก็เ <c oughs> ลยเรียกอาอาชาตินะครับทจะมันจะเราแต่เราก็ไเรียกไปกันแหละแล้วทีนี้ผมว่าไปไปงานงานศพของเอ่า แล้วื่องทางแบบเรื่องของแกเรื่องนี้ น, นะครับมาว่าก่อนหน้าที่อาผมจะเสียเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาซึ่งอาผมตอนนี้คนที่อ๋อจริงจริแล้วแกเป็นคนไม่ค่อย เ, เชื่อเรื่องผีนะแกเป็นคนไม่เชื่อจะบอกว่าไม่เชื่อเลยก็ไม่ใช่แต่แต่สมมุติว่าไอการจะมาเล่าถึงว่าเจอคงเจอผีเนี่ยตัวผมเองเนี่ยผมเป็นหลานผมก็เคยเจอจะเชื่อเลย ว, ว่าเอ้ยเป็นจริงด้ววะอะไรอย่างนี้ เ, ออ เ, เคยังมีก็เคยเคยเจอสุดเคยเจอเท่ากันเน่ยท้าที่สุดเรากับบ้านหลังเต่าเนี่ยในบ้านบ้านยากุ่มจะมีบ้านเรือนไทยของหลังป็นจันทรับแล้วทีนี้มันจะมีเรือนเก่าที่ไม่มีใครอึ้นไปยุง่งเนี่ยยังเคยเจอแกค้าที่สุดคืดูนี้ก็คเคยเคยเล่นเล่นกันเคยเห็นเห็นก็ทักไม่เห็นก็ไม่พูดอย่างนี้ครับจนมาเรื่องเนี้ยผมมาลุ้นว่าจะเจอเป็นเต็มคือครั้นงนี้แล้วมันเหมือนจะเป็นสัญญาณบอกว่าคือแกคงเข้าใกล้ เวาลาของแกเข้าไปจรอืๆจากที่เราไปเจอครับครับเอเรื่องก็คือว่าผมเล่นเลยเนาะได้เลยครับคุณคิงตัวแกนเนี่ยจะเป็นคนที่มีอาชีพเกี่ยวกับทํางานและเหมะก่อสร้างคจะเป็นนีน้องบ้างบางครั้งทั้งงานตัวเองหมดก็จะมีไปเหมือนแบบไปร่วมแยมมาร่วมต่างหมด เ, เมมดลยเขาแล้วเวลาคนอื่นงานหมดมก็มาร่วมกับแกครับก็จะไม่ค่อยได้อยู่บ้านมั ง, งจะไปค้างแรมที อืถ้าไม่มีงานจริงๆอาชีพที่แกทำเป็นอาชีพรองลงมาก็คือการกะหาปลาและในแถวนั้นเนี่ยจะรู้เลยว่าแกเป็นที่หาปลาเป็นแบบคนยอมรับว่ายอมรับว่าไอเนี่ยไปที่ไหนแนละ้ปลาหายหมดเพราะว่าแกจะไปหาซ้ําำๆๆจนมันไม่อยู่แล้วอือมันต้องถึงขนาดย้ยายย้ายไปเรืยย่อยๆวนันนี้ตัวจะเองเนี่ยช่วงที่เกิดเหตุการณ์บนเนี้ย ก็ป่วยกับต่อระแตะแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าจะไปกระอันขนันก็เลยมีการพักหยุด ง, งานอยู่ที่บ้านแล้วก็ชวนลูกชายนะครับลูกชายซึ่งหาปลาเก่งเหมือนกันอืมลูกชายคนนี้เนี่ยก็เป็นน้องๆกลุ่มเนี้ยนะพี่ๆน้องไอเ้เจมีเขาไปได้แฟงเป็นคนที่จิตการพนันจากที่เป็นเด็กที่เร้อๆพอมมาจริงๆจะริ่มเข้าวงไพ เริ่มเข้าวงไฮโลก็ตัวแม่เขาเนี่ยซึ่งซึ่งเป็นเป็นเป็นเมียของอาของเรนเนี่ยต่างห้ามเข้าบ้านอืและตัวแม่เขาเนี่ยเปคนที่หัวจริงๆนะจะทำจริๆเนะี่ยแกบอกว่าถ้ายังไม่เลือกเล่นไพ่จะเข้ามานะคุณจะควันเลือดเลยเพราะถือว่าจะบอกว่าถ้าไปไม่มันไม่เหลือบ้านแต่มันเหลือที่นะอาจารย์พนันเนี่ยไม่ อ, อะไรเลยก็มีนึงนยถูกต้องถูกต้องอือแต่ก็เลยแบบเอาจริงจะบอกถ้าเข้ามาแกควันจริงๆแล้วแกเคยไล่ควันแล้วด้วย ทีนี้ตัวอาของผมเนี่ยเขาก็เวลาเขาจะเตลชายเขาเนี่ยเาไม่จะเปลีโตโต่ยตดสเดี๋ยวพอไปรอมือตรงห้องน้ำเรือนไทยอหลังนึงนะเรือนหลังนู้นนะลูกชายก็จะมาเห้นซึ่งมาในป่าแล้วนะก็ฝึกพ่อมีอะไรอี่นึ่ไม่มีและชวนมึงไปหาตาอะไรทำนองอย่างเงี้ยเป็นที่นัดจะมีระแล้ววันนั้นเน่ยอาผมเนี่ยเขาก็ไปอาบน้ำในห้อง่องที่เป็น ห้องสังกต mm. อเขาก็ได้ยินเสียงคนเดินแวนป่ามาแล้วก็มากินสังกติแล้วก็มานั่ง mm. แ, ลววแล้ว่าเอ้ยนี่สบายล้วแต่เขาบอ mm. เกเดี๋ยวพ่อไปแป๊บนึงเสียงก็ยังคงหายใจค่องข้ออยู่นะอืม mm. แล้วแกก็เปิดห้องน้ําออกไปพอเปิดห้องน้ำไปเสร็จไม่เห็นใครเลยอืไม่เห็นใครเล ย, mm. เเลยว่ามันไปไหนของมันวะหรือมันจะย่องเอ้ไปหาอะไรกินที่ใต้ใต้บ้าน พอบ้านเป็นบ้านย่อสูงนะครับ็น ก, ก็กลัวนางเจลี่เดินเดินเดินตามตา ม, มาพอเห็นเมียแกแก็ตะโกนเรื่อแวบอกมึงจะไปทาอะไรลูกไงถ้าลูกมาลูกมาไหนลูกมาไหนพี่แกยังไม่เห็นลูกมาเลยลูกไหนมาครับบอกว่ากัคิดี่มันมามันนั่งหอบอยู่ข้างแัน้มันมาหาอะไรกินนะ ล, ลูกเต่ามันเข้าบ้านแกนแก็ทลออาใหญ่โตโดยที่ยังไม่เห็นไม่เห็นตัวลูกชายแกเลยแต่แกกลัวไว้ก่อนพี่พูดเนี่ยสงสานลูกคนาน้นละ เมียแกก็เลยมไม่ได้พูดอะไรทีนี้แกขึ้นไปบนบ้านแล้วแกก็ยิ่งเห็นคนหลานหาหาเอาข้าวกินอยู่ใต้บ้านออืก็เลยตัวเลือกชื่อลูกแกแต่ว่าแต่พอลงไปเดี๋ยวไปหาปลากันแลนะซึ <S <S ่งส่วนตื้นเอ่อส่วนมันก็หากิขาขนเมียแกก็จะลงจากบ้านมาแต่กกาบอกไม่ต้องเลยลูกม า, มาบ้านตั้งที่อย่ารี่กับมันพอเดินลงมาถึงก็เห็นลูกนั่งกินข้าวอยู่ลนะูกชายนะแกก็บอกว่าอปยังไง ลูกชายแก็เอาไอ้ตะไคร์นะครับเอาแห่กันตะไคร์กันนะของอย่างเอาพานขึ้นบา่าแล้วก็เดินขึ้นมอเตอร์ไซค์แต่ก็ขี่มาขี่ออกมาแล้วเข้ามาหาหาปลาบริเวณช่วงนาวัดซึ่งวัดเนี่ยจะเป็นในเขตอําเภอบ้านเหนือตัวอาผมอยู่ตรงกลางแล้วมีด้านใต้ทีนี้ในระหว่างเดี๋ยวเาหาปลาเนี่ยพอเขาลงไปปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวลูกชายเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวผมไปตีตีตีน้ําตรงนู้ น, น้วพ่อนะไล่ให้ป่ามาตรงนี้มันจะได้มาติดตะขายย่ายของพ่อคนพ่อคืออาผมเนี่ยเขาก็ว่าเออไปเลยเอาที่มึงว่านั่นแหละอืมมันก็ไปทําอย่างงู้นเนี่ยแล้วแกก็ค่อยๆลงขายแกเสนอคือเอาไม้ตักข้างหนึ่งจูขข่ช่างหนึ่งก็โดยแกก็ลงน้ําไปแล้วก็ค่อยๆล้อมล้อมล้อมล้อมมาแต่ล้อมอ ม, อ ม, อ ม, ม า, ลมมาแลังจากนั้นก็ตีน้ําไล่ปลามาจะเอาขึ้นปีหนึ่งพอขึ้นทีนึ่งก็จะต่อยเลี้ยรุ่ยชายบอกเฮ้ย hey, มานี ไปดินรั้าไปเยอะๆเลยพี่ชายก็เดินย่าที่เดินตบขอบน้ําแล้วตขอบตบขอบน้ำมา่ะ้วไล่มาไล่มาแล้วก็มานั่งนั่งไปแล้วบอกเอาต่อใช่ไหมพ่อบอเอาต่อเลยพี่ไปได้เยอะถึงที่เรไปขายกันเอาชิ้นยางเยอะคงไม่เอาออกมาทามาเอามาตบมาดึงขนาดนี้หรอกเอาแล้วก็เไปขายด้วยเราก็พันกันอย่างนี้เวลารอบหลายรอบหลาเรอบแล้วก็ไปเจอหนุ้คนหนึ่งหนุ่มคนหนี่ยแก ลากขายด้วยตัวเองแบบว่าล้อมอ่ะแล้วก็ว่ายน้ําไปเรื่อยครับติดได้แค่ไหนก็แค่นั้นขึ้นฝั่งดีก็ดีขึ้นฝั่งดีก็ดีแจก็รอยคอผ่านหน้าอ่าผมไปแกก็มองอ่าผมนะแกก็หัวเรออ่าผมก็มองนะลุงันนี้มองแปลกๆเลยแล้วแกก็หัวเราะใช่ไหมเมื่อหาป้าแต่นี้ไม่กลัวผีอ่ะอืมอ่าผมก็บอกอ่านแล้วแล้วแกมาหาคือคนที่นั่นเขาเรียกจะกันแกๆแน่ฉันนะ แกามาหาแถวเนี้ยแกไม่กลัวหรือไงแกามาทำกันละโออไม่กลัวก็ดีแล้วล่ะ <Okay. S 2> แล้วแกก็เห ว, หวี่ยงหล่อแล้วแกก็ลากตลาไปลาหน้าลาหน้าไปเรื่อยหงกันอยูประมาณสักไม่ใจไกลครับอ mm. ไม่ใกลก็พอเห็นกันแล้วนะแล้วเขาก็ลากไล่ตามไปเรื่อยจนไอ้ตัวลูกชายเขาเนะี้ยหนาวแล้วมันก็ฟั่นทำไมบอกพอไหมเดีย๋ยวขึ้นไปนั่งแป๊บหนึ่งเดีย๋ยวก็คงหายก็ แตก็นก็่ี้ลันอยู่นี่อก็นมาถึงยอดอาผมเขาก็นั่งคุยเหมือนเมือนีปะาเลยงเนียว่าไงวะเล่นเล่นวแม่เขาห้วพ่อคุ้มไลยเล่นกเสีกัน่าเนี่ยจะเล่นก็เล่นไปไม่ได้ห้ามรอกว่าตัวมึงไปเล่นแม่เขาไม่ชอบลุงก็ไม่เ็บเข้าไปวนวนจากต like so ้นน uh, ้ำมาอีกแล้วผ่านเลยแล้วก็มองอาผมแปลกๆนะมึงไม่กลัวผีจริงเหะ อืมแล้วแกมันจะมาทำอะไรกันวะยังกลับมาถามอีกอ่าอ่าดังคื่นเดือดก็ว่าแกมาล่าที่ต้นน้ำขับไล่กลับไปใหม่ครับมันบริมมันเป็นบริเวณที่ปลาไปชุมอือคือปลาเนี่ยถ้ามันหนีจากตรงนี้ไปคนหาไบ่อยถ้ามันจะไปตรงไหนที่มันไปอยู่เยอะเนี่ยเขาจะเรียกว่าวังตาครับอ่าก็จะหาบริเวณอย่งนั้นเอขาก็จะุมุมหากันแต่เขาจะไม่หองเตรียกันหรอกนึกต่ลุงคนน้กก็แปลกตัวแกก็ซิ่ดๆนะขาวๆนะอาผมเพราะว่ามอง แล้วแกก็ชอบอาจจะผ่านวัญอะก็ชอบมองทุกครั market market. ้งประมาณสองครั้งสาครั้งระหว่างี่เขาังคุยกันเป็นซี่นองกัน่ลินก็่ผ่านประมาสองสาครั้งก็จะถามทกครั้งเลยไม่กลัวจริงเหรอผีเอะนีออผมก็ผมแค่แกอับสายจนม่คุยรู้คนมหาปางครัม่กี้เามหาปากใมาพูดอย่างนี้มาดักทางไว้มาหากินกันใชอืมจะพูดเชงเล่นเิงเหมือนแบบมีอารมณ์ไปได้นิดแล้วอะ มุมนี้เขาม่มาดูก็ดีแล้วแลังแากก็ขึ้นสั่งซึ่งมันอยู่ฝั่งตรงข้าม ท, ที่อาผมนั่งสุอกนะัน hmm. มันเป็นเหมือนสะพานไม้ที่หักแล้วหรือหัวทางเดินยินรอรอะไรสักอย่างยินรอเรือหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับ hmm. แล้วอ่าผมเขาก็ขึ้นจากขบนนั้นออื hmm. แต่ว่ามันเหมือนกัเป็นไม้หักค hmm. าว่าไม้หักคือมันเหยียบแล้วมันเกาะเกาะเกาะเกะแต่ดึงคนนั้นขึ้นไปแล้วไม่หักไม่เกาะ แล้วก็เดินไปเูอาพแล้ว ม, มองแล้วก็คุยจาลูชายเจ้าไปว่ามันแปกๆว่ะลูชายเจาก็บอกไม่เห็นมีอะไรแปลกนพะ่อทำไมนะแต่กูรู้สึกว่ากูคนรุปกติคือแกเนบานอกเหรอแกเคยมึงูมึงูกับลูกเนี้ยนะพว่ามันมันแปลกๆนระู้สึกคนลุกผิดปกติยังไงก็ไม่รู้แล้วนานแค่ไหนไม่รู้ลุงคนนั้นก็เดินเดินออกมายืนตรงไม้อะไรนะแล้วก็ตะโกนว่าเฮ้ยมึงเอามนี่เนอนะือ ไอ้ชาอ๋อเฮ้ยรู้จักชื่อูด้วยเออรู้จักด้วยที่เดใครก็ขอดูน้าใกล้ๆเดี่ยวนครับไอ้ชาหนึ่งมาผู้คนที่นร็วเร็วเร็็เรเอ่านไลกันี่เยอหนึงมาใหมนึเรร็วเลอยคอนะลอยคอไปหาแต่ละเพราะมันฟังมันไม่ไกลแต่ครับหนึ่งมาหาคืองหนมาหาคู่ครนึงมากับใครนะระหว่างนี้เขารอมาด้ทิศทางในนอะไรคะมากับลูกชายอย่างเงี้ยลูกมึงจะใครเก็กเขะ มันจะบ้าใั้กูขึ้นไปนะมันนั่งเล่นพ่ายอยู่ในบ้านนี้บ้านกูเ น, นี่ยค่ะข้างบ้านกูนนะเนี่ยมันมันจะไปได้ใครถ้านนั่งอยู่ฝั่งลุนั่นแหละครับไอ้ทางฝั่งลุงเขาก็ไอ้สกับลงน้ำมาจะมาหาลนนลี้ไอ้กายเาเนะรับลงน้ำมารอยคอตางกันนะเพื่อจะมาหาลุงน น, น, นี้ว่าแสดงตัวงไองก็อยู่ตรงนี้มันนั่งแล้มพ่าอยู่ข้างบ้านกูนั่นนั่งกับเมือมันนเมือมันงั้นนี่ใช่ไหมแบออก็่นี่ไงลูชายพอหันไปุ ต้มต้มต้มต้อว่าน้ำเร็วขึ้นแหละแต่มันไม่ใช <Heh. S 2> ่น้าผชายแกแล้วมันเป็นหน้าแบบหัวเขียวเียวแล้วก็ปลาอะไรเลือดขึ้นทางเนี่ยต้มต้ต้ต้ก็อาอ๋ออ๋ออันนี้ผมนะอ๋ออันนี้ผมนะแกก็กระโดดขึ้นสั่งแล้วลุงมันก็ดึงมือค่ะเฮ้ยม่เนี่ะแกก็เดินมือดขึ้นสั่งมายืนสังอยู่พักหนึ่งไอ้คนที่ว่ายน้ำตามหลังมาที่หน้าเขียวเียวนี่ยมันก็จมน้าไปอ่าดี๋ยวามันคืออะไรวะ ทุกอย่างแกก็งงแล้วแกก็ไปกับลุงเ้านี่ไปยูเจอลูชายแกนั่งเล่นไพ่อยกวนันนี่แกก็แบบนี่เคยทำนกไม่เคยทาลูกเลยะต่แกตกลูกแกทำมันนั่งอ่อย้องเัยตบโต๊ดเลยคือเล่นไพ่เนเรื่องหน้าโมโหอยู่แล้วแล้วมันเรื่องอะไรที่แกเจอประเด็นกระดังก็ไม่รู้ว่าเป็นเวลาทางออกไม่เจอแล้วก็ลากคอลูกชายแกกลับบ้านไปนั่งคุยกันเรื่องนี้เมียของอาผมต้องสิได้รู้แล้วก็เอามาเล่าให้ผมฟังทีนี้เขาก็สึใส่กันว่า แล้วอาผมจะเป็นอะไรเอออะไรที่นั่งคุยกันอยู่อืมอมอืมก็เลยมาคุยกับลุงคนนั้นตั้งคืนนั้นอะเมื่อคืนอะแกเห็นผมนั่งกับใครลุงก็ไม่เห็นผมนั่งกับใครแลยแต่เห็นผมคุยกับเด็กตั้งแต่มาทางน้ําแล้วนะอ้าวเหรออ๋อ คือเท่ากับว่าเห็นอาชาติแล้วมึงก็เป็นคนคนเดียวขึ้นต่างคนเดียวล่าไก่คนเดียวตะโพงเรียกไก่ก็ไม่ลุกคุณก็งงอยู่กั็มึงอาไก่หรือเรียอไก่เลยพยายามจะถามย้ำไงสองสารอบแล้วไงแต่ก็ไม่รู้ตัวก็ดีนะครับแล้วหาทั้งหมดหาสาเหตุว่าจะเป็นคนตายที่นั่นหรือไม่อะไรหรือไม่ออื มันไปประจบเหมาะว่าเป็นอย่างนี้ครับตัวตัวน้าผู้หญิงเนี่ยนะจะเล่าไปแกก็ใส่อารมณไปนะอาราผู้หญิงนี่ยะแก็เล่าไปแจก็ใส่อารมณไปอย่าว่าทีนี้มาลูกที่หลังว่าเป็นลูกของทสังอารแกนแหละอารเองนั่นแหละเพราะว่ากับเมียเก่าเขาเขามีลูกเป็นลูกเกอยู่คนนึงแล้วเมียเขาตายแล้วก็เอาลูกอกาะนไปลอยน้ำไปดำเนินที่น้ํานั่นหน้าบริเวณวัดนั่นแหละอาร์ก็เลยคิดว่าสงสัยจะเป็นลูกเขาวะ เหมือนจะมาเตือนสัญญาณเตือนว่าอ่าจะมารับเอาเขาไปอยู่ด้วยหรือเปล่าหรือว่าอเป็นจังหวะเขาดวงตกหรือเปล่าลูกเขาเลยหน่เอาไปหรือเปล่าอันนี้อาไม่รู้สึกยิ่งใหญ่นะเพราะว่าอาของเองเขาอยู่ๆเขาก็ล้มหมอนนอนเสือไปต่อค่ำวันแล้วก็ไปเลยเนาะจากแรกๆที่แข็งแรงปกติดีครับโอนะครับไปไปมามาคือล้มหมอนนอนเสือแล้วก็ไปแบบ กระทันหันเลยอะฮะครับใช่โอคือเหตุการณ์ที่คุณอาเขาเจอมันก็ยังหาคําตอบไม่ได้อยู่ดีถูกไหมคุณคิงว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยเขากําลังจะมาสื่อจะมาบอกอะไรหรืออาจจะมาบอกว่าเนี่ยเป็นแค่ลูกอดีตลูกหรืออาจจะมาบอกส่งสัญญาณอะไรบางอย่างว่าเฮ้ย ถึงเวลาแล้วนะอันนี้มันไม่มีใครรู้คําตอบที่ชัดเจนถูกไหมฮะครับเออแต่สิ่งแน่ๆเลยที่ที่คุณลุงอีกคนนึงแกเห็นเนี่ยเห็นว่าคุณอาเนี่ยแกหาปลาอยู่คนเดียวคุยอยู่คนเดียวนั่งอยู่คนเดียวทําอะไรทําคนเดียวครับเออแกถึงมาถามบ่อยๆว่าเฮ้ยมาหาปลาแถวนี้ไม่กลัวผีแล้วก็ถามไม่ได้แค่รอบสองรอบเจอทุกครั้งก็ถามทุกครั้ง ครับเออแสดงว่าตอนนั้นแต่ก็จะมีอะไรแปลกๆนะครับอย่างเช่นอาผู้หญิงบอกว่าอาของผมเนี่ยเขาแม่นั่งดูดีวีดีพอทะลุขึ้นมาหน้าบ้านอ่าเฮ้ยกอะไรนักหนาวะ<ป>ใครอยาชอบมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือมีคนมาไล่นช้่แกเหรอหน้าบ้านจะมาสองสาวันแล้วเรียกแล้วแกก็ออกไปดูตอนแรกแต่ที่แกพยายามไม่ขานเพราะมันจนังนกเนี่ยครับครับ พอมันชักบ่อเองก็ออกไปดูพออดูเสร็จมันงก็เริ่มรำคาญรงคาก็เป็นตะโกนด่าเนาะคนต่าง่างหวันแล้วบางทีคือเราตัดต่อคนพักเบื่ออยู่ด้วยกันตลอดมันก็รู้จกกันหมดเพราะตะโกนเรื่องอะไรคุณนั่นหนาวเนี่ยแต่แตตะโกนหยาแบบนี้ถ้าเริ่นจริงนะนะเรื่องอะไรของมึงมาเลือกเงินเงินนั่นสนุกนั้นอะไรับได้กองปรเทศเตให้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับสองสามวันซึ่งอาผู้หญิงบอกว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยของเขาอยู่สองสามวัน ก็ไม่มีใครคิดว่าเขาจะพูดแล้วก็ไปเลยโอ้โหเอออันนี้น่าจะเป็นสัญญาณมากกว่าคือถ้าตามความเชื่อคุณผู้ฟังนะครับมีเสียงเรียกตอนกลางคืนเขาบอกว่าห้ามทักคือถ้าไม่เห็นตัวไม่เห็นต้นเสียงอย่าไปขานรับอย่าไปทักครับแต่เนี้ยตัวของคุณอาคือไม่ได้เห็นต้นเสียงแต่ที่ไปทักไปพูดเพราะว่าความรำคาญมากกว่า แล้วกีแจ็คคิดเหมือนผมไหว่ า, าจะเป็นเด็กหัวเขียวคนนั้นรือเปล่าทเราเรียกแก่อืมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเสียงที่แกได้ยิน เ, นเป็นลักษณะไหนแต่ถ้ามองความเป็นไปได้ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เพราะว่าดูเหมือนว่าสิ่งที่คุณคิงไปได้ยินได้ฟังมาเนี่ยมันเกี่ยวโยงไปถึงเด็กหัวเขียวคนเนี้ยซึ่งเป็น อ, อดีตลูกของแก ที่เคยเล่นโคงนะครับเล่นโค้งเลเ่นลนนาก็เป็นไปได้ก็น่าจะเป็นไปได้คือเราแค่มองวิเคราะห์กันเล่ น, ลนๆว่าสิ่งที่มันน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดน่าจะเป็นไปในทางนี้หรือเปล่าถ้าเราตัดเรื่องอของ อ, อวิทยาศ า, ศาสตร์การป่วยของแกออกไปอะน ะ, อะโอ้นฮะฮอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โหคือจากคนที่แข็งแรงแข็งแรงอุ้บูฟังวันสองวันเท่านั้นเอง ไปเลยอะครับโอ้โหโอ้เรื่องแบบนี้มันก็พูดยากนะนะครับมันเป็นเรื่องอะไรหลายๆอย่างอนะถ้าเรามองในเรื่องของสุขภาพร่างกายเรื่องของสังขารที่มันโรยลาลงไปคนเราไม่เคยป่วยเลยพอป่วยขึ้นมานี่ก็หนักหนักถึงขนาด เขาใช้คำนี้นะฮะคือถ้าป่วยห น, หนักขึ้นมาเนี่ยจะมีใบเหลืองกับใบแดงใบเหลืองเนี่ยคืออาจจะถึงขั้นนอนแอดมิรรักษาตัวนานหน่อยแต่ถ้าใบแดงนี่คือไปเลยนะฮะมันอยู่ที่จังหวะอยู่ที่ร่างกายของคนด้วยตัวเจ้าเองเนี่ยนะครับตาหูจมูกจะมีมีไม่อะร ข่าวจะไปอะไรคั้งแต่ผมเชื่ออยู่เรื่องนี้คนเราถ้าไม่ถึงข่าวไม่ไปถูกไม่ถึงข่าวคือได้รไหมว่าอตาถึงไปเจอบ้านไม้ทั้งหลังครัือเขาดิกบ้านเน่ะเจอบ้านไม้ท้างหลังอ่ะรับทับลงไปต้องตัวเลยอไม่ตายเพื่อนที่ไปด้วยกันเครับหลังจากที่ทำอะไรเสรแล้วเน่ยที่กลับมาตงที่บ้านแบบว่าเลินไม่ได้อ่ะออืแล้วอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเชื่อส่วนบุคคลนะฮะแต่แล้วย่า ย่าก็าไปบนแต่พ่อทราเยสูวันว่าขอเอามันไว้ก่อนเดี๋ยวจะให้มันบวชให้15วันหลังจากนั้นประมาณตัวเรามาันเก็บถึงแปดเดืนอนอาผมจับมาทำก่อ้างได้เหมือนเดิมครับเอเหมือนขอขอมาแล้วได้ครั้งหนึ่งแต่ผลสุดท้ายอ่าถ้าเราพูดกันตามหลักความเชื่อก็คือผลสุดท้ายเขาก็มาเอาไปอยู่ดีใช่เ็เขาพูดแล้วว่าเขาจะมาเอาไปตอน5ิด7 อืแล้วเขามาเอาก่อนอาผมครบ51สามวันพอดีเลยหรอใช่แล้วคนที่ทำนายคนเนี้ยเขาทํานายค น, า ท, นายทางบ้านของบ้านญาติผมคนเนี้ยเขาทำนายไว้สี่คนสามคนตายตรงวันที่เขาทำนายเตะตายตรงอายุที่เขาทำนายเตะเลยเดี๋ยวอีกคนหนึ่งก็คือพีย่าซึ่งซึ่งอันนี้คือผมผมพูดได้เลยเพราะว่า ญาติผมเขาก็ไม่ได้กลัวแต่เขาก็พูดเลย ว, ว่าเขาบอกแล้วว่าญาติอยู่ได้ถึงเก้าสิบเก่งญาติไม่หวังอะไรมากกว่า น, นั้นเก้าสิเเียงยาติกตายแล้วเขาพูดอย่างนี้เพราะในบ้านเราสคนเขาทั ก, กว่าตรงหมดเลยครับออันนี้มันก็เป็นเรื่องที่พูดยาก น, นะคุณคิงคุณผู้ฟังเรื่องของการทักอะไรเงี้ยแต่มันก็มีอยู่หลายเคสหลายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับจากการโดนทักก่อน แล้วพอการเวลามันผ่านไปกลายเป็นว่าสิ่งที่คนทักอย่างเช่นหมอทักหรือว่าใครทักก็แล้วแต่เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้น <Yeah. S 1> เออนะฮะนั่นคือเรื่องราวของคุณอาที่คุณคิงไปได้ยินได้ฟังมาคือเรื่องนี้นะ่ะมันเกิดขึ้นเมื่อสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เอง ผมพิ้วมันเดินหนึ่งเลยเพราะว่าก็มไปเจอมันไปงานศพมาแค่เพียงกว่าแล้วก็เจอหน้าต่อมาแล้มันสองอาทิตย์ส า, ามอาทิตย์ประมาณนี้อืมนะฮะก็ทั้งหมดเลยนะะก็ก็สูญเสียไปแล้วนะครั บ, รบก็ได้แต่บอกแล้วก็ภาวนาให้ดวงวิ ญ, ญญาณของคุณอาไปสู่ภพภูมิที่ดีก็แล้วกันนะคุณคิงเนาะ โอ้นะครับได้ครับคุณคิงนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับวันนี้อาจจะไม่ยาวมากแต่ก็ยังคงความสนุกตื่นเต้นไว้เหมือนเดิมครับคุณคิงครับ<ม>แล้วช่วงสุดท้ายก็ อ, อยากจ ะ, ออกจะบอกหลายส่วนว่าผมผม ผมก็เอาเรื่องของเขามาเล่าอืแล้วบางคนเรื่องเขอาจจะไม่หลอนนะแต่เขาตั้งใจเอามาเล่าไงเราก็เลยเอามาแชร์กันสนุกสรุปแล้ถูกต้องถูกต้องเมืวัีเราเห็นคอมเมนต์อย่างเงี้ยแล้วพอเจ้าตัวเขาไปอ่านอะเขาก็มาบอกผมว่าขอโทษนะคุณคิงเรื่องไม่หลอนทาให้คุณคิงโดนว่าผมบอกเลยผมไม่ใส่ใจหรอกมีสน้ำใจมาฝากเรื่องกับผมคุณเชื่อมั่นผมกพอแล้วผมก็ขอบคุณแล้วแค่นั้นแหละเออแล้วก็คุณคิงก็เอาเรื่องมาเล่าให้พวกเราฟังอีกทอดหนึ่งแค่นั้นก็ขอบคุณเช่นกันแล้วคุณคิง นะครับของคองกันครับนะฮะแล้วถามก่อนว่าช่วงสงกราร น, นี้ได้หยุดพักผ่อนมากไหมเนี่ยสงการส่วนใหญ่ผมจะถือศีลคผมไม่ค่อยเล่นอ๋อนะฮะผมผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะแต่เป็นช่วงพักผ่อนมากกว่าเพราะว่าไปเล่นน้ําสู้กับวัยรุ่นเด็กๆ เ, เขาไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวจริงๆผมก็เลยเลือกไปจังหวัดภูเก็ตพี่บัดแล้วก็หลายๆคนบอกว่าที่นู่นเนี่ยเขาเล่นสงกรารแค่วันเดียวที่เหลือเขาก็ไม่เล่นกันละเล่นสิบสามวันเดียว อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเอเอก็น่าจะโอเค เ, อเดี๋ยวผมกินไปบอกพี่แจ๊กว่าที่ไหนที่อย่าไปนอนนะอา่าผมผมจองที่พักไว้แล้วเป็นบ้านพักแล้วผมไม่ให้รู้ดีกว่าให้พี่แจ๊กวัดดวงดีกว่านะเ่อมีอะไรมาแชร์กันบ้างเนี่ยเนี่ย <laughs> <laughs> เนี่ยเอ <laughs> เอ <laughs> ก็ก็บอกมาก็ดีก็จะได้รู้พอ่ <laughs> มไม่ที่ผมเคยเจอมันเป็นมันเป็นของรีสอด อยู่ในเลนราคาเอานี้เอาี้ผมไปออนเลนราคา1มื่นห้าต่อคืนคือผมไม่ได้เสียตังเองอถ้าใครเคยฟังเรื่องของผมแล้วนะเขาจะรู้ว่าผมผมไปผัดกพ อ, อะไระเป็นเป็นเป็นรีสอร์ทใช่ไหมฮะใช่ครับของผมมันเป็นบ้านพักจะเป็นลักษณะแบบว่าคุณคุณเหมือนคุณเป็นราชาก็พี่แจ็คจะทราว่าผมสามารถที่จะไปเปิด เครื่องทำน้ำอุ่นเราไม่เคยเจอไนงะ<ม>เปิดอย่างที่ทำน้ำอุ่นอะ<ม>ไออ่างเอออะไรที่เขามีเ น, น, นี่ยในเหมือนชั้นมันจะมีห้องน้ําให้สามห้องซึ่งก็ไม่รู้เขาทาไว้ทาไมแล้วมันจะมีทั้งหมดสามชั้นนะ่ะนั่นคือของเราคนเดียวเลยนะในะคืนนี้ที่เราเปิดแล้วพอเราไปทํางานให้เขาแล้วเขาก็ให้เราพักอย่างเงี้ยผมก็เปิดอ่างห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้สาห้องแล้วผก็จุ่มตรงนี้คึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแมฉันุก้ของผมก็ได้แล้วนะคงไม่ใช่ที่เดียวกัน พอาฟังฟังอย่างเงี้ยไม่ใช่ละไม่น่าใช่ละเออนะฮน่าจะคนละที่ครับเอางี้ผมผมคิดง่ายๆผมตรงๆเลยว่าคนมันจะเจออ่ะมันก็เจอคนมันจะไม่เจอมันก็จะไม่เจอใช่ครับไม่มีอะไรมาเล่าบ้าง <Hey> พี่ <això> เด <Claudia> ี๋ยวถามคุณคิงหน่อยนะ อ่าที่ไหนให้คุณคิงเขาบอกไปไปเค้นมาไปเค้นมาให้ได้ได้ได้คุณคิงเอาล่ะวันนี้ขอบคุณคุณคิงมากๆนะที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราฟังขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเปนการเรื่องการักษาสุขภาพอ้าคอานี้นี่พี่แจ๊คภาษตภาษาติดข้องไหมครับไม่ได้เลยครับพี่บัตรจะเก่งมากเอาหงส์กันคุยกันยากเลยถ้าเจอเนี้ยเออไม่เอาพี่พี่บัตรเนี่ยคุยภาษาพี่บัตรนี่คุยภาษาอังกิดนี่น้ำไหลไฟดับเลยนะฮะ เอามาที่ดักุมควเจอครับผมคิดว่านะใช่น่าจะคุยเขารู้เรื่องสุดเออเนีฮะได้คุณคิงยังไงขอบคุณมากๆนะแล้วก็สุขสันต์วันปีใหม่ไทยๆล่วงหน้านะครับเช่นกันครับครับผมล่างครับพี่แจคเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันครับคุณคิงสวัสดีครับหลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืมซ u b s ไคร b e Channel The g ก o s t Radio อ f f ฟ c i a l กันด้วยนะครับ Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! <laughs> <laughs> yeah!